การพบกับสิส่งที to ique, ่ไม่ชอบเป็นการประสบกับบ <tiles. S 2> <h> ุคคลและสิ่งของที่ไม่พึงพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านก็เลยกล่าวว่าเมื่อประสบกับบุคคลสิ่งของที่ไม่ชอบจะเกิดความทุกข์ใจก่อนเป็นงั้นไหมเราประสบการรบและสิ่งของที่ไม่ชอบเนี่ยมันทุกข์ใจก่อนใช่ไหมไม่ได้ทุกข์กายก่อนเนีแล้วต่อมาก็จึงเกิดความทุกข์กายต่อมาอำไมถึงทุกข์กายด้วย กายก็พอยก็พลอยโหดโหวไปด้วยใช่ไหมเอาบางทีอะถ้าเราไม่ชอบใครเราไปไปทุบสไลด์เขาไหมก็ไปไปทุบสไลด์เขาอีกถ้ามันทุกข์กายตามมาทีหลังนะเพราะความไม่ชอบเนี่ยยึมเป็นเหตุเป็นปัจจัยการประสบกับสิ่งของที่ตนไม่ชอบเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งสองประเภทนั้นคือทุกข์กายทุกข์ใจ ส่นปีเยหิวิปโยโคทุกโขเนี่ยการพรัดภาคจากอารมณ์ที่ชอบเป็นทุกข์เนี่ยนะก็หมายความว่าพัดภาคจากของรักเป็นการพรัดภาคจากบุคคลสิ่งของอันเป็นที่รักการพรัดภาคนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุของความโศกท่านก็บอกว่าคนเขาย่อมถูกความโศกดุดลูกศรเสียดแทงเพราะพัดภาคจากญาติโอ้โหท่านใช้คํา ท่า น, นใช้คำว่าหนักนะคนโง่คนโง่ย่อมถูกความโศกที่เป็นเหมือนลูกศรแทงเพราะพระราชจากญาติและทรัพย์สมบัติญาติพยาสนะโศกและโภคาพยาสนะเสื่อมโภคาก็โศกอีกแล้วโรคคาพยาสนะโรคภัยแค่เจ็บกําเริบปิดซื้อเออมเศร้าโศกอีกแล้วศีลพยาสนะ โศกไหมเนะี่ยอย่างเราศีลขาดไปเลยศีลวิบัตไปเลยทิฏฐิพยัสนะทิฏฐิวิบัตเนี่ยโศกไหมอาโศกยังไงไม่ดีเลยฮะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันวิบัตไม่ใช่มิชาทิฏฐิวิบัตนะเออสัมมาทิฏฐิวิบัตโศกไหม ถ้าสัมมาทิฏฐิวิบัติเนี่ยโศกเลยเราไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เกิดไปทํากรรมไม่เหมาะไม่สมมาเนี่ยโอหโศกตายเลยตอนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไปทํากรรมชั่วโศกเลยหรือกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วออกจากมิจฉามทิฏฐิไม่ได้โศกไหมยิมย่งโศกใหญ่เลยเอมีนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อยากแยกฆ่าคนเนี่ย แต่ไปอยู่เหตุการณ์ออกก็ออกไม่ได้มันตอนเนี้ยน่าทายังไงเลยบางคนเอาที่แสนจะโศกนะเนี่ยนะออกก็ออกไม่ได้แล้วมันเข้าไปล็อกเดดตัวเองไว้อย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมมันล็อกตายตรงนั้นแล้วเอาที่ออกไม่ได้จะออกก็ตายจะออกก็โอ้โหตัวเองจะวิบัติแลละอาจจะลุยไปข้างหน้าก็จะตายคนก็จะตายเยอะแล้วทําไงนะเนี่ยเนี่ยออกก็ออกไม่ได้เนะี่ย ทุกมากนี่ทุกมากอชื่อว่ามีไหมช่วงนี้มีคนเป็นแบบนี้ไห ม, มนี่นั่นแหละไม่ทำก็ไม่ได้เพราะอตอนเองก็ขึ้นไปบนบนหลังนั่นแล้วนี่นแล้วลงก็ลงไม่ได้เนี่ยลงก็ลงไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> แดดเลยตอเนี้เนี่ยลงไม่ได้นี่เขากําลังทุกเนียเนี่ยทุกมากไหมมาก ไม่ใช่ธรรมดาแลวทุกอย่างมากๆเลยนอนกระวนก็วายหลับไม่ได้อ่ะหลับก็ตาค้างเนี่ยนะภาพบากฏเนี่ยมันดูภาพแต่ละทีเนี่ยโดนฟันโดนแยิงโดนแทงโดนเลยเนี่ยทำยังไงตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอาสิเนี่ยก็ร้องไห้แอบร้องไห้คนเดียวปะแต่อันนี้นี่แค่เจ็บปวดนิดๆนะ ไปพบหน้าจะแสนสาหัสขนาดน่ะเกิดมาก็โดนตัดโดนตอนไปนี่นี้โดนยิงบั่งโดนฆ่าบั่งมีวิสาเหตุแล้วเหตุไรสาระอะไรทั้งเนี้นะพระธรรมราชบอกว่ายำปิดฉังรปพติที่บอกเออพัดภาคจากญาติทรัพย์โรคมีโรคไปยแค่เจ็บเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะศีลวิบัติเป็นต้นเหล่านี้เป็นทุกข์เนาะ ยามปิดชังนรภัติการไม่รับอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์ปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไม่พึงเกิดอยู่เสมอเราไม่มีความไม่พึงเกิดเลยไม่พึงแก่เลยไม่พึงเจ็บเลยไม่พึงตายเลยเนี่ยนี่ปรารถนาแบบนี้ปรารถนาสิ่งที่มันออกไม่ได้เป็นทุกข์เนะ เป็นทุกข์เ น, นี่ยตอนนี้เป็นทุกข์กันไหมเนี่ยขอให้เราอย่าได้มีความเกิดเลยแต่ไม่ได้เจริญมรรคอะไรในทุกข์อยู่นั่นแหละใช่ขอให้เราอย่าแก่เลยแล้วก็ไม่ได้เจริญสัมมามรรคอะไรนะเจริญมิชชามรรคไหนแต่ขอทุกข์ไหมทุกข์เลยเนี่ยขอให้เราอย่าได้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้มีความตายเป็นธรรมดาแต่นั่งเฉย ทุกไม่ไ ด, ไได้ไม่มีข้อปฏิบัติออกฮะแต่ได้แต่นั่งอ่อนวอนอย่างเงี้ยทุกทุกอย่นั่นแหละตอนนี้ได้ข้อปฏิบททัติยังไงครับดรลด้าได้แล้วลนะแล้วมั่นใจไหมเดินถูกทางเนี่ยสรรพสัตว์ในโลกนี้ผู้ปรารถนาสิ่งนั้นๆย่อมเกิดทุกข์ใจเพราะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนากรารปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์พระชินเจ้าจาึงตรัสว่าการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเป็นทุกข์ สังกิเตนะปัญจุปาดานขันดาทุกขาโดยสังเขปปาทานขันห้าพึงทราบว่าเป็นทุกขทุกมันมีความเกิดเป็นต้นกับเบียดเบียนอุปาทานขันโดยประการต่างๆเหมือนกับไฟเบียดเบียนเชื้อเพลิงนะอาวุธเบียดเบียนเป้าเหลือบและยุงเป็นต้นเบียดเบียนโคกระบือชาวนาเกี่ยวข้าวเนี่ยนะก็เบียดเบียนไล่นานี่ยแหละโจรป้นสะดมก็เบียดเบียนชาวบ้านชาติเป็นต้นเหล่านี้ก็เบียดเบียนอะไรดีชาติเบียดเบียนขันห้า ชะลาก็เบียดเบียนขันห้าพยาธิก็เบียดเบียนขันห้าความตายก็เบียดเบียนขันห้าความโศกก็เบียดเบียนขันห้าความโศกความล่ํายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเบียดเบียนรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนอะไรเหมือนไฟเบียดเบียนเชื้อเพลิงเหมือนอาวุธเบียนเบียนเป้าอาวุธเนี่ยปืนนี่ก็ยิงออกไปเนี่ยเบียดเบียนเป้าไหม ยิงเขายิงหัวยิงหัวคนเนี่ยเบียดเบียนเลยไหมก็เบียดเบียนเป้านี่ยเลยไปยิงอะไรอาวุธนั้นก็เบียดเบียนนั้นหละใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันชาติคือความเกิดเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเบียดเบียนรูปะขันเวทนาสัญญาสังขารมิยามชราคือความแก่เนี่ยเกิดมาก็ไหมเขามาเพื่ออะไรเกิดขึ้นเพื่อมาเบียดเบียนก็เบียดเบียนเพื่อเบียดเบียนอุปาทานขันเนี่ย พยาธิก็เบียดเบียนขันห้าความตายก็เบียดเบียนขันห้าความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจมันเบียดเบียนขันห้าเหมือนเหมือนอะไรเหลือบและยุงเป็นต้นเบียดเบียนโคเบียดเบียนกระบือชาวนาเกี่ยวข้าวก็เบียดเบียนไล่นาใบโจนป้นสะดมก็เบียดเบียนชาวบ้านชาติเป็นต้นก็เลยเบียดเบียนอุปาทานกันห้าประดุดหญ้า และวเถาวัลย์เป็นต้นเบียดเบียนพื้นแผ่นดินดอกไม้ผลไม้ยอดอ่อ น, ออนเกิดบนต้นไม้นะชาติเป็นทุกข์แรกสุดของอุปาทานขันห้าชราก็เป็นทุกข์ในถ้ำกลางความตายก็เป็นทุกข์ในสุดท้ายการไม่สมปรารถนาก็เป็นความทุกข์ใจของผู้ที่ผิดหวังเมื่อใข้ครวญโดยประการต่างๆอย่างนี้ก็ทราบว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ ไม่มีใครแสดงจํานวนทุกอุปาทานขันที่ละเอียดได้หมดสิ้นแม้จะเป็นเวลานานตลอดหลายโกดกับเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจังตรัสว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเพื่อจะรวบรวมทุกทั้งหมดเข้าไว้ในอุปาทานกัน5เหมือนการแสดงรถของน้ําในมหาสมุทด้วยน้ําเพียงหยดเดียวท่านจึงบอกว่า เนี่ยถ้ามาพิสจังเนี้ยจะเห็นจะวิจัยทุกได้ชัดใช่ไหมหนึ่งเห็นได้ด้วยข้ออุปมาเปรียบเทียบถ้าไม่อุปมาเปรียบเทียบเราจะไม่เห็นหรอกว่าอะไรเบียดเบียนใช่ไหมไฟเบียดเบียนเชื้อเฟืองแล้วว่าอะไรอาวุธเนี่ยอาวุธก็เบียดเบียนเป้าเลือไปยุงเป็นต้นเบียดเบียนโคกระบือใช่ไหม ชาวนาที่เกี่ยวข้าวก็เบียดเบียนนาและไร่นะเจียนก็โจนที่ก็ปพร่นก็เบียดเบียนชาวบ้านแล้วอะไรอีกอะไรอีกชาติคือการเกิดเบียดเบียนอุปาทานกันห้าชราคือความแก่เบียดเบียนไหมพญาทิคือความเจ็บไข้เบียดเบียนกันห้าไหมมรณะโสกการิเดวทุกขโทมนะเสารุปลายาตก็ไปวิจัยดูที่ สิ่งต่าง ๆ, ๆนี้ก็เบียดเบียนรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันกับไฟเบียดเบียนเชื้อเพลิงฉะนะเป็นต้นก็ข้อเบียดเบียนต่างๆนีๆน้มาเปรียบเทียบโอ้ขันห้าเนี่ยถูกชาติเบียดเบียนแล้วถูกชราพยาธิมรณะเป็นต้นเบียดเบียนแล้วถูกความโศกเป็นต้นเบียดเบียนแล้วนี่ยังไงวิปัสสนาอริยสัจวิจัยไปที่วันหนึ่งไปนั่งวิจัยไปเวลาร้อยรอบพันรอบ เห็นมื่นหมือนร อ, อ, อบถ้ามันไม่เห็นทุกกลับมานั่งคุยดิ่วิจัยยังไงวิจัยยังไงไม่ไปนั่งวิจัยหรือเปล่าวิจัยไม่ถึงชั่วโมงก็หืมแต่อยากจะออกจากพบชั่วโมงเดียวก็โหยเกินพอแล้ว โอ้โหมองไม่ถึงห้านาทีก็สะดุ n สะทือนแล้วอ๋อเป็นง้นเลยใช่ใช่ ใช่คือจริงๆมันไม่ใช่ถึงขนาดบรรลุไงหมายความบอกว่าการที่วิจัยแล้วให้สลดใจนะมันจะเกิดเร็วมันเกิดเร็วเอางัน้นจริงๆื ไอท่านท่านท่าชเวลานานเลยเราวิจัยแล้วเกิดสลดใจนี่ใชเวลานานนานเลยเลยเพาเป็นงี้เลยเลยเลยจำได้ก่อน ชาติที่ทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกโวกกรริเดวทุกกระทบน้าเสวยยากนี่คิดข้หาชีวิตจริงด้วย แล้ะ <No. S 2> <c ười> no. ก็ก็ก็ตรงนี้ก็ต้องต้องเพียนอีกเยอะเนาะ <c oughs> ก็เมาวานนามาก็คุยกับพระว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่าสีนห้ากุศลกรรมบทสิทใช่ไหเป็นคุณธรรมในการที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นได้ถ้าสีลห้ากุศลกรรมบทไม่บริบูรณ์อัตภาพแค่มนุษย์ก็เอาไม่อยู่นามาก็เลยเน้นให้พระท่านถาฟังบอกว่าคารวาส ทำไมถึงคับแคบใช่ไหมทำไมถึงคับแคบก็เลยคุยให้ท่านฟังว่าความคับแคบโดยประการต่างๆคือฆราวาสบางท่านเนี่ยคิดว่าอยู่แค่ศีลห้าแต่ไม่รักษาอนนาพิชาอภพยาบาทและสมาทิฏฐิไปเลยเสียเลยโดยเฉพาะก็คือว่าความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดอันนี้สำคัญมาก ทำให้ฐานของกาย<ม>กายเ อ, อ่ยทางวาจาเลยเสียศูนย์หมดเลยทำให้เป็นไปกสุจริทธอย่างแท้จริงเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมนั้นมีมโนกรรมนั่นแหละเป็นตัวคอยคอ ย, คอยประครับประคองเป็นเกื้อหนุนหรือเป็นปัจจัยกระชี้นั่นดูว่าที่จริงบางทีถ้าหนึงใช้คําว่ารักษาใจอย่างเดียวอะนี่ไหมใช้คําว่าทํามโนสุจริทธให้โกิดขึ้นได้จะทํำยังไงใช่ไหม ก็เหมือนเป็นพระเนี่ยแ้วท่านบอกไอ้มาบอกถ้าท่านยุ่งยากมากเรื่องศีลเนี่ยท่านรักษามโนสุจริตให้ได้เข้มา้มมามาเมาเข้ามารักษามโนสุจริตให้ได้แล้วท่านจะปลอดภยัยศีลที่เยอะแยะไปเสร็จจะเกลื่อย <c oughs> จะไปชมลงในมโนสุจริตนะไปชมลงในมโนสุจริตไปชมลงในสมาทิฏฐินั่นแหละพระเจ้านั่นแหละนั่นแหละ การทำความเห็นให้ตรงใช่หการทาความเห็นในตรงให้เป็นกรรมสกตาสมาธิิต้องรู้เรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเมชัดนะกรรมทุกระดับเนะี่ยกรรมที่จะนำลงสู่อบยภูมิกรรมที่จะนำลงสู่สุคติภูมิกรรมที่จะทำให้พ้นจากภูมิทั้งหลายด้วย ตรงนี้ท่านยังกล่าวในคําสอนต่างๆที่พูดถึงในเรื่องของคําว่าในเรื่องของทุกเนี่ยท่านพูดถึงคําว่าทุกขะสมุทัยใช่ไหมอันที่สองอริยสัจจากข้อที่สองเนี่ยทุกขะสมุทัยคือสภาพทําให้เกิดทุกเสมอทุกขะสมุทัยคือสภาพที่ทําให้ทุกจเจริญเสมอเนี่ยเหตุเกิดแห่งทุก สภาพให้เกิดทุกขเสมอสภาพทําให้ทุกขเจริญเสมอเนี่ยในความหมายนี่เนี่ยหมายความบอกว่าสมุทัยเนี่ยมีสภาพในการที่จะรวบรวมมอบให้ผูกมัดแล้วก็รบกวนมีสภาพรวบรวมก็หมายความว่ารวบรวมเข้าก็คือกระทํากองทุกข์ที่ประกอบไปได้วยวัตถุกรรมให้มากขึ้นในพบหนึ่งหนึ่งกาวคือพบน้อยและพบใหญ่ต่างๆเหงอะเนี้ย ตัวตันหามีหน้าที่อย่างเนี้ประการต่อมาคือมอบให้ก็หมายความว่าให้กําลังสนับสนุนโดยการทํากองทุกเนี่ยให้ต่อเนื่องก็หมายความมอบกองทุกไว้ให้แล้วก็ให้กองทุกนั้นมีก่อต่อเนื่องนานๆเนี่ยนะให้ประสบความทุกนั่นน่ไม่ใช่มอบทุกให้อย่างเดียวยังผูกมัดเนีผูกไว้อย่างมั่นคงในกองทุกนั่นแหละมัดติดเข้าไว้ไม่ให้ออกจากทุกได้ ไม่ให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไม่ให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณฑ์และธรรมารมณ์ได้ไม่ให้ออกจากจักรคูญานโสตวิญญาณคณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมโนวิญญาณไม่ให้ออกจากจักขูดสัมผัสโสตสัมผัสคณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมโนสัมผัสไม่ให้ออกจากเวทนาหกไม่ให้ออกจากตัณหาหกวัางั้นเลยไม่ให้ออกจากรูปปสัญญารูปปวิตกรูปวิจารณหกอย่างอย่างละหกอะอ่ะกอดเข้าไว้แล้วก็มัดติดเข้าไว้ หมดแล้วกรรมที่กัตตัญหาบอกเราหมดกําลังแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวเราต่อให้อีกต่อเดี๋ยวเราจะจัดการเองเราจะจัดการเองมันก็มัดไว้เหอะทุกภพทุกชาติมันก็ไปมัดไว้เอาที่ดรแลาดาเนี่ยมันให้มาแล้วให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วยอมเนี่ยให้มาแล้วยอมการก็ได้มาพระท่านก็ได้มาท่านแค่ก็ได้มายอมที่นั่งน่งก็ได้มาไอ้มาก็ได้มาแต่ว่าเอ้ามันมัดติดไว้ด้วย เดี๋ยวมันก็ดูใช่ไหมแจกแจงแล้วมันโหลงโทษต่างๆนั่นนะทบตีต่างๆออกมาพอถึงวาระจุติจิตมันก็กระซิบบอกเดี๋ยวเราจะไปมัดต่อแล้วเราจะไปมอบทุกให้แล้วเราก็จะไปไปไ ป, ไปจัดการอีกแล้วเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวพบหน้าเจอกันยังมีที่วิ จ, จิตมากกว่า น, นี้เยอะที่เรายากให้ใช่ไหมบอกยังมีวิ จ, จิตอีก บอกว่าที่เราจะทรมานแบบนั้นมันก็มันก็มัดไว้ลักษณะนี้ก็เรียกผูกมัดผูกมัดไว้อย่างมั่นคงในกองทุกข์รบกวนด้วยไหมรบกวนขัดขวางด้วยการห้ามเหตุแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์เขาบอกว่าถ้าจะหลุดออกออกก็ห้ามไว้เขาจะมีวิธีดักออกมาบวชเนียเดี๋ยวก็ซิบบอกบวชทาไมใช่ไหม ชีวิตการบวชแสนอุดอัดศสียก็เยอะเดี๋ยวคุณผิดศสียเนี่ยคุณตกนรกนะใช่ไหมออกมาที่สบายตรงเนี้พาสุมิตทธะยังโดนเลยะขนาดเคร่งครัดเลยนะแต่ท่านไม่ได้โดนภายในนะท่านโดนภายนอกไอ้โดนภายในหมายถึงไอ้ตัวตันหามันกระซิบบอกกระซิบแล้วก็ซิบบอกมันให้ข้อมูลใ ห, ให้ใหญ่โมหะก็ปิดเออจริงเจอเออจริ ง, รงเนี่ยนะคืน อ, อยู่ในเพศเนี้ยลําบากเอินใช่ไหมออกไปรู้สึกจะโลง่ลงโล่งใช่ไก่อนอาจารย์จะคิดนะ โอหไม่ได้แล้วในยู่เพศเนี้ถ้ามันเยอะแยะบนเบสเสร็จเลยเนี่ยถ้าแก่เท่าลง ร, ารักษาไม่ได้ฉะนั้นต้องเตรียมตัวแล้วออกไปเดี๋ยวก็เรารักษาศิ้นแปดก็ได้เพางั้นนะรักษาศิ้นแปดก็ใช้น้อยกินน้อยใช่ไหมขอเออน้องคนนั้นบ้างพี่อยู่คนนี้บ้างให้ช่วยหน่อยนิดๆหน่อยๆแค่เนีย้นยขอใช้แค่เนี้ยให้ได้ไหมเขาก็บอกกันได้เออดีแล้วเดี๋ยวมันไปชีวิตจะออกไปนี่ไปวางแผนอย่างนี้ด้วยซ้ำไป เห็น ไ, ไหนี่คือคือคิดว่าออกไปจะทําศีลให้บริสุทธินั่นแหละที่ไหนได้ตัานหามันก็ซิบบอกไอ้โมหาก็ปิดนึกว่าเป็นปัญญาเลยพอมารู้ความจริงโอ้โหโดนหลอกอีกแล้วนี่โดนภา ย, ภายในบางอย่างพระสมิธะนี่ือสมิธินี่โดนโดนภายนอกไปโดนในสั่งยุติอันนั้นเอาเลยท่านเห็นโอ้พระรูปนี้รูปงามมาแล้วที่เป็นเคยอดีตเคยเกี่ยวข้องกับท่านบอกว่า ท่านจะมายินดีเพืเพลินทำไมท่านยังหนุ่มแน่นใช่ไหมเฮ้ท่านอย่าไปยินดีเลยเนี่ยท่านอย่าไปทํากรรมที่จะไปอย่างที่ว่าเลยจะไปนิพพานเนี่ยทํากรรมไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าโอ้ยในเทวดาใช่ไหมมีความมั่นคงอะ่ะมีความงดงามมีความสดสวยเนี่ยเพราะั้นเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือภายนอกเล่นเนาะนี่ภายนอกเล่น นักญาณามาไงอันมาก็อยู่อุดมเพทแต่จะลงไปหินเพออนตรายเองไม่ไม่ใช่ถ้า อ, อย่างเงี้เป็นจุดดีถ้าอย่างนักมาเนี่ยอยู่อุดมเพใช่ไหมต้องการจะลดศีลไงโอ้ศีลเยอะจัดลกักษาไม่ไหวมาโองอย่างเงี้ยต้องการจะลดไงว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอยู่อย่างเงี้ยศีลเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยที่แรกพอศึกษาไปปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่งโอ้ไม่ไหวเนี่ย วางแผนไว้เลยไงบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราแก่เท่าลงเนี่ยเราจะลำบากหูตาฝ้าฟางใช่ไหมไอเราจะออกในช่วงนั้นเน่ะวางแผนจะรักษาสิ้นแปดให้บริสุทธิ์นี่มันคิดต่ำไม่คิดสูงเพราะการคิดออกบมเพ็ญเนคขมารเป็นประเสริฐใช่ไหมแต่มาเนี่ยอยู่ในเพศทินบมเพ็ญได้อยู่ดีอยู่แล้วจะไปลด นี่เป็นก็เรียกไฟต่ำมัมาตอนนั้นเรียกไฟต่ำเอราจะไปสูงหรือไปต่ําด้วยนี้นี่ยเขาแก่รบกวนลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าตัวตันหานั่นเองอริยสัจจากข้อที่สองเป็นเหตุให้เกิดทุกมีการประจบกับเหตุปัจจัยต่างๆตึงได้ชื่อว่าทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกเนี่ยพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกขเมื่อมีเหตุปัจจัยนี่นะอย่ายังตันหานี่แหละตันหานี้ใดอ่ะ โอโนโพวิกาก่อให้เกิดพบใหม่ปูนับภาวะเนี่ยการก่อให้เกิดพบใหม่ก็คือตันหามีปกติก่อให้เกิดพบใหม่นันธิราขสากตาก็คือประกอบด้วยความยินดีความพอใจความหมายก็คือว่าประกอบด้วยความยินดีความพอใจเพราะดาเนินไปไม่ไม่สละความยินดีพอใจในระยะการทั้งหมดเนื่องจากมีความยินดีและความพอใจอยู่ ก็เลยไม่สละเ้าเรียกว่านันทิราคษะคตาเนี่ยนะประกอบด้วยความยินดีความพอใจประกอบด้วยความพอใจนี่นแหละไม่ยอมสละทิ้งตตระตะัตตาพินันทีนี้ก็คือเพื่อเพลินพบและไม่ใช่เพื่อเพลินพบอย่างเดียวนะเพื่อเพลินอารมณ์นั้นนั้นด้วยเพื่อเพิ่มในรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวพบเลยหรือในกามาพบรูปพบเอรูพบเนี่ยแล้วก็ในอารมณ์ที่ตนเองเกี่ยวข้องในพบนั้นๆด้วยตัณหาก็ผูก มัดไว้หมายความว่าเพื่อเพลินในภพนั้นๆที่เกิดอัตภาพขึ้นเมื่อได้อัตภาพเมื่อได้ขันอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเพลินในภพนั้นด้วยแล้วก็เพื่อเพลินอารมณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยไซยะทีทางนี้เป็นนิบาตหมายความว่าตัณหานั้นคืออะไรตัณหามีหประการนะรูปประตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหาราษฎรตัณหาโภธภัตตตัณหาธรรมะตัณหา ในตัณหาหประการนี้พระองค์ก็แบ่งเป็นสามใช่ไหมแบ่งเป็นกามมตัญหาบาวตัญหาแล้วก็วิภาวะตัญหาเลยกรมตัญหารูปตัญหาที่ยินดีพอใจในรู ป, ปารมณ์ที่ปรากฏทางจากกักรุทวานด้วยดลนา่นความยินดีในกามยินดีในรูปเพลิดเพลินในรูปนั่แหละสรุปก็คือนั่นแหละในตางหุ่นยนต์โล่นกายใจที่เป็นไปในกามกรมกุณกามคุม ตามหัวใจขอจรูปเสซงกินรถปวดสะพ้าและทำอารมณ์ที่เป็นในนี้เนี่ยที่เป็นในกามปภูมิเนี่ยก็ามาตัญหาหมดนะในยินดีอย่างเงี้ยยินดีพบด้วยใช่ไหมแล้วยินดีที่ ท, ท, ที่ที่อารมณ์ที่เกี่ยวข้องในพบนั้นด้วยยินดีการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนะยินดีและยินดีอารมณ์ที่มนุษย์ได้เสวยได้ได้เไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้เกี่ยวข้องด้วยภวะปัญหา รูปปตัญหาที่เป็นต้นเล่ น, นี้ที่เกิดร่วมกับสัตสตถิฏฐิดําเนินไปว่าอารมณ์ที่พบนั้นเที่ยงยั่งยืนราคาที่ประกอบกับสัตสตตถิฏฐินั่นแหละความเห็นว่าเที่ยงนั่นแหละเรียกภวะปัญหาวิภวะปัญหามีรูปปตัญหาเป็นต้นที่เกิดร่วมกับอุเฉทิฏฐินี่เห็นว่าขาดศูนย์ดําเนินาอารมณ์ที่พบเนยียนขาดศูนย์พินาศเพราะราคาที่ประกอบกับอุเฉธาฏฐินี่แหละสัทธตัญหา คันธะตันหาระสะตัญหาโพธพะตัญหาธรมมะตันหาให้อธิบายเป็นแนวเดียวกันนี้แนวเดียวกันกบกลา ม, มาตัญหาก็ให้ให้ไปในมุมนึงเพราะว่าตัญหาก็เป็นไปร่วมกับสัตสตาวิพภะตันหาก็เป็นไปร่วมกับอุบเชธะคำว่าร่วมในที่นั้นจะต้องเข้าใจได้เนี่ยเพราะว่าองค์ธรรมของภวะตันหาวิภภาวะตันหาคือโลภะเนี่ยคือโลภะ ทิฏฐิขตาวิปยุตเป็นราค่าที่ประกอบกับสัตตตาส่วนองค์ธรรมของภวะตัณหาวิภวะคือโลภะในทิฏฐิขตาวิปยุตสี่ที่ไม่ประกอบนึงนั่นก็แยกให้ออกเพราะตรงนี้ต้องแยกกันให้ออกก็หมายความบอกว่าถ้าความเห็นที่เกิดร่วมกันกันกบความเห็นผิดเนี่ยแล้วที่เป็นไปกับสัตสตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยง ถาว่าถ้าความเห็นว่าเที่ยงมันเป็นศัตตตถติถีใช่ไห ม, ไหมแต่ถ้าความเห็นว่าขาศูนย์มันเป็นอุเชทาอุเชท่าที่ต้องเป็นสามียุ่ต้องสามยุ่คือมันอย่างนี้ ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่เป็นไปกับทิฏฐิสัมบูญุตเทวภาวะราคะวิภวะราคะอันนี้เป็นทิฏฐิวิวิยต้องแยกให้หอเหตุใดพระองค์จึงตรัสตัณหาในริยสสีเป็นทุกขสมุทัยเพราะเป็นเหตุพิเศษตัณหาเนี่ยนะปกปิดโทษไงพบไง แล้วก็เป็นการไอ้ตันหาเนี่ครับเวทยพยศนะอ๋อตรงนี้คือเป็นอย่างนี้ ยาวนะเดี๋ยวเอาไว้เอาไวตา้ตอนบ่ายตอนบ่ายอธิบายแล้วเราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้